แนะนำบท อัฎ-ดูฮา บท อัฎ-ดูฮา เป็นบทมักกียะห์มี 11 องค์การบทได้เริ่มด้วยการสาบานต่อความประเสริฐของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะว่าพระเจ้าของท่านไม่ได้ทอดทิ้งและไม่ได้โกรธเคืองท่านตามที่พวกมุชริกีนกล่าวอ้างแต่ประการใดสำหรับท่านณที่อัลเลาะห์นั้นมีตำแหน่งสูงและมีสถานะอันยิ่งใหญ่และบทได้แจ้งข่าวดีแก่ท่านถึงการประทานให้อย่างมากมายในโลกอาคิเราะห์ ละสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงเตรียมไว้แก่รอซูลของพระองค์เช่นการมีชื่อเสียงเกียรติยศเกียรติศักดิ์และการช่วยเหลืออันยิ่งใหญ่บทนี้ได้จบลงด้วยการสั่งเสียแก่ท่าน 3 ประการด้วยกันเพื่อให้สอดคล้องกับความโปรดปราน 3 ประการดังกล่าวข้างต้นคือ 1 ให้ความสงสารแก่เด็กกำพร้า 2 เมตตาต่อผู้ที่มีความต้องการ 3 ช่วยเหลือผู้ยากจนขัดสน بسم الله الرحمن الرحيم دعائےพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ والدُحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى ขอสาบานด้วยเวลาสายและด้วยเวลากลางคืนเมื่อมันมืดเมื่อ ودعك ربك وما قلى พระผู้พิพากษาของเจ้ามิได้ทอดทิ้งเจ้าและไม่ได้โกรธเกรี้ยวเจ้า وللآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى และแน่นอนบ้านปลายเป็นการดียิ่งแก่เจ้ากว่าเบื้องต้นและแน่นอนพระผู้พิบาลของเจ้าจะให้แก่เจ้าแล้วเจ้าก็จะพอใจอัลลัมยะจิดกะยะตีมานฟะอาวาโปรดมิได้ทรงพบเจ้าเป็นกำพร้าแล้วทรงให้ที่พึ่งดอกหรือ และทรงพบเจ้าประเหเร่ร่อนแล้วก็ชี้ทางนําแก่เจ้าชัยใหม่วะวะจัดกะอะอิลันฟาอ์นาและทรงพบเจ้าเป็นผู้ขัดสนแล้วให้ความมั่งคั่งแก่เจ้าชัยใหม่อัมมัลยะติมาฟะลาตะกฮัรดังนั้นสําหรับเด็กกําพร้าเจ้าจงอย่าข่มเหงและส่วนผู้เอ่ยขอนั้น เจ้าจงอย่าตวัดขับไล่ว่าอัมมาบินิอะมะติร็อบบิกะฟะฮัดดิลาส่วนความโปรดปรานแห่งพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นเจ้าจงแสดงออก